สิ่งที่ผู้ศึกษาธรรมะมักสงสัยและสับสนกันอย่างที่สุดคือถ้าเห็นกายใจไม่ใช่ตัวตนแล้วเหตุใดจึงยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ความเห็นอนัตตาของพระโสดาบันกับพระอรหันต์แตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ถ้าดูภิกษุนามว่าเขมะกะกล่าวไว้ในเขมะกะสูตรว่าด้วยความไม่มีตนในขันห้าก็อาจเข้าใจกระจ่างและหายสงสัย ท่านกล่าวกับเหล่าภิกษุร่วมสมัยว่าอย่างนี้กระผมไม่กล่าวว่าตัวเรามีอยู่ในรูปทั้งไม่กล่าวว่าตัวเรามีนอกเหนือจากรูปไม่กล่าวว่าตัวเรามีอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งไม่กล่าวว่าตัวเรามีอยู่นอกเหนือจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ผมเข้าใจว่าตัวเรามีในอุปาทานขันห้า ทั้งที่กระผมก็ไม่ได้พิจารณาเห็นว่าอุปทานขันห้านี้เป็นเราแล้วท่านเขมะกะก็กล่าวเปรียบกับกลิ่นจะเป็นกลิ่นดอกบัวก็ดีกลิ่นดอกบัวหลวงก็ดีกลิ่นดอกบัวขาวก็ดีกลิ่นดอกบัวเหล่านั้นไม่ควรกล่าวว่ากลิ่นเป็นของใบกลิ่นเป็นของสีหรือว่ากลิ่นเป็นของเกสรโดยที่ถูกต้องกล่าวว่ากลิ่นเป็นของดอกซึ่งฉันใดก็ฉันนั้น ท่านไม่กล่าวว่าตัวเรามีในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมทั้งไม่กล่าวว่าตัวเรามีอยู่ในสิ่งอื่นนอกเหนือจากขันทั้งห้าประการเหล่านี้แต่ที่รู้สึกว่าเรามีเป็นเพียงอุปาทานอันเกิดจากการประชุมขันเท่านั้นรู้ทั้งรู้ว่าตัวเราเป็นเพียงอุปาทานแต่ก็ยังถอนมาณนะไม่ได้ยังมีความยินดีเต็มใจในการเกิดอุปาทาน รวมทั้งยังไม่อาจทำลายความไม่รู้หรืออวิชชาอันเป็นที่สุดของกิเลสลงได้สรุปคืออุปาทานในขันห้าของอริยเจ้าชั้นตน้ตนนั้นยังมีอยู่เพียงแต่ถ้าว่าตามความเห็นแล้วหรือหากให้พูดแล้วท่านจะไม่กล่าวเลยว่าในขันห้ามีตัวตนหรือนอกขันห้าแม้กระทั่งนิพพานเป็นตัวตน อริยะเจ้าผู้รู้จักนิพพานย่อมไม่มีความเห็นผิดเพียงแต่ยังถอนรากแห่งราคะและโทสะไม่ได้ยังถอนมานะว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้เพราะยังเอาชนะความอยากไม่ได้อวิชชาจึงบังจิตได้อยู่ซึ่งสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือดูขันห้าเกิดดับไปเรื่อยๆจนกว่าจะถอนกิเลสได้หมดนั่นเอง แต่ถึงแม้พระโสดาบันยังถอดถอนกิเลสไม่ได้พวกท่านก็รู้ว่าสิ่งใดดีที่สุดรถใดเลิศสุดเพราะมหาสุญญาตาเป็นสัจจะที่ปรากฏให้รู้ได้ไม่จํากัดการจะสองพันปีก่อนจะเป็นปีนี้หรือจะเป็นกี่ล้านปีข้างหน้าก็ยังคงปรากฏความเป็นรถอันเหนือรถอยู่เช่นนั้นรถแห่งความว่างในนิพพานวิเศษกว่ารถหวานชื่นอื่นใดอย่างเทียบกันไม่ติด เพราะรสแห่งความกำหนัดในวัตถุกามและแม้รสแห่งความหวานชื่นในชาตต่างเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ห่วงแหนไว้เหนี่ยวรังไว้ซึ่งที่สุดก็ไม่อาจเป็นไปได้ดังใจสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายย่อมแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่รสแห่งความว่างจะคงอยู่ชั่วนิรันติไม่ต้องรักษาไม่ต้องห่วงแหนไม่ต้องเหนียวรังแต่อย่างใดเพราะนิพพานไม่มีการมา ไม่มีการไปไม่มีความเคลื่อนแม้น้อยเท่าน้อยเพราะธรรมชาติแห่งความเป็นนิพพานไม่มีการเวลาจึงปราศจากการตั้งต้นเกิดขึ้นเมื่อใดไม่มีการแปรปรวนและไม่มีอะไรไปทาให้ดับลงนิพพานไม่มีการมาการไปหมายถึงไม่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับมีแต่ธรรมชาติแบบนิพพานที่เป็นปราศจากการ เป็นคนเล่าระนาบกับสังสารวัตที่เป็นของปรุงแต่งพระโสดาบันรู้ว่านิพพานไม่หายไปไหนเพราะถ้าเมื่อใดท่านมีกำลังหนักแน่นเป็นหนึ่งย่อมมีสิทธิ์ดำเนินจิตดังเช่นที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ในคำพีปฏิสัมพิธามักคือ 1. ยินดีในความวางเฉยในกายใจ 2. เห็นแจ้งในความวางเฉยนั้น 3. พิจารณาแล้วเข้าผลสมาบัต ผลสมาบัติหมายถึงอริยสมาธิคือการยับยั้งอยู่ในจิตที่เป็นผลอันเกิดขึ้นหลังพระโสดาปัติมักขณะแห่งจิตนั้นมีสติบริสุทธิ์เห็นแจ้งว่าธรรมชาติทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนผัสสะที่กระทบจิตในขณะแห่งการเข้าอริยสมาธิคือความว่างความไม่มีนิมิตและความไม่มีที่ตั้งอันเป็นลักษณะของนิพพานหรือพูดง่ายๆว่า นี่คือการเข้าสมาธิที่มีนิพพานเป็นเครื่องหน่วงจิตนั่นเองหลังปรากฏการบรรลุธรรมฉันลองนั่งกำหนดรู้ลมหายใจอย่างที่เคยกำหนดเห็นอิริยาบถนั่งคงที่อย่างที่เคยเห็นรู้ชัดในสุขเวทนาอันเกิดพร้อมอยู่ในสายลมหายใจและอิริยาบถนั่งอันคงเส้นคงวานั้นแล้วเกิดความวางเฉยไม่ติดใจไม่รู้สึกว่าเป็นตัวตน ไม่มีมโนภาพของบุคคลตัวตนชายหญิงใดๆหลงเหลืออยู่สติเกิดขึ้นเต็มที่เห็นชัดในอาการวางเฉยนั้นว่าปราศจากเยื่อใยอะไรทั้งปวงจิตอยู่ในอาการรองว่าไม่มีอะไรน้ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็บังเกิดอาการรวมดวงใหญ่เป็นฌานปฏิรูปไปอยู่ในสภาพยกขึ้นบกทันทีคือเห็นว่ากายใจหายไป ความว่างปราศจากนิมิตและที่ตั้งปรากฏแทนเพียงแต่ไม่มีแสงประหารกิเลสผุดโพลงขึ้นเหมือนขณะโสดาปติมักอุบัติเท่านั้นฉันเห็นนิพพานโดยความเป็นบกเพราะเห็นโดยความเป็นที่ยุติเป็นที่ปราศจากความเคลื่อนแล้วก็มาพบว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้โดยความเป็นเช่นนั้นด้วยคือท่านตรัสในอัตตะทันทะสุตะนิเทศ โดยเปรียบว่าความกำหนัดเหมือนห้วงน้ำใหญ่เปลือกตมคือกามเป็นสภาพล่วงได้โดยยากส่วนอมะตะนิพพานเรียกว่าบกเพราะเป็นสภาพที่สงบจากสังขารทั้งปวงจึงไม่อาจมีรูปนามอันเจือด้วยกามใดๆมาแผ้ว่านหรือตั้งอยู่ที่นี่ได้ฉันเห็นนิพพานโดยความเป็นจริงแท้หนึ่งแล้วนอกเหนือจากนั้นเป็นเพียงมายาลวงใจแล้วก็มาพบว่า พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยความเป็นเช่นนั้นด้วยคือท่านตรัสในทาตุวิพังคสูตรว่าผู้หลุดพ้นย่อมตั้งอยู่ในความจริงสิ่งที่ปล่าประโยชน์ได้แก่ความปรุงแต่งอันแปรปรวนเป็นธรรมดานั้นเท็จสิ่งที่ไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดาได้แก่นิพานนั้นจริงเข้าผลสมาบัติหลายรอบจนรู้แล้วว่าที่สุดก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น ไม่มีรางวัลใหญ่เกินกว่าสิ่งที่ปรากฏเปิดเผย อ, อยู่แล้วที่ผ่านมาแค่เคลาไปและมองไม่เห็นเองแม้บังเกิดปีติยิ่งใหญ่ในธรรมมาพิสมัยฉันก็ไม่รู้สึกแตกต่างมากนะักระหว่างก่อนได้กับหลังได้มรรคผลเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ฉันสมควรจะได้เพราะทําเหตุพอดีกับผลอยู่แล้วมองย้อนกลับไป ฉันก็เห็นว่าผู้ภาวนาควรพอใจตั้งแต่สามารถเห็นได้ว่าขันห้าเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาเพราะเริ่มสิ้นความอยากมีภัยเวรแล้วปลอดภัยจากนรกแล้วผู้มีองค์ทั้งแดของมัครพร้อมแล้วยองไปสู่สุขคติเป็นธรรมดาไม่ว่าใจจะอยากไปหรือไม่อยากไปก็ตามฉันเป็นผู้หนึ่งที่ไม่รู้อนาคตของตนเองจึงไม่เคยนับถอยหลังว่าวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไรจะสำเร็จมากผลแต่เมื่อประกอบเหตุไว้พอดีกับผลผลย่อมเกิดเองโดยไม่ต้องเรียกร้องปรารถนาดังเช่นในานาวาสูตรพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ารอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือย่อมปรากฏที่ดาบมีดของนายช่างไม้แต่นายช่างไม้นั้นหารู้ไม่ว่าวันนี้ดาบมีดของเขาสึกไปประมาณเท่าใดเมื่อวานสึกไปประมาณเท่าใด วันก่อนก่อนศึกไปประมาณเท่าใดในายช่างไม้มีความรู้แต่ว่าดามีสึกไปแล้วฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุเจริญภาวนาอยู่ก็หารู้ไม่ว่าวันนี้อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วประมาณเท่าใดเมื่อหวานสิ้นไปแล้วประมาณเท่าใดหรือวันก่อนก่อนสิ้นไปแล้วประมาณเท่าใดก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นเมื่ออาสวะสิ้นไปแล้ว เธอก็มีความรู้แต่ว่าสิ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครมีบา ร, รมีอย่างกลางจเจริญสติปัฏฐานเจ็เดือนจะบรรลุอรหัตผลแต่ฉันจเจริญสติปัฏฐานเจ็เดือนเพิ่งบรรลุโสดาปิตผลแสดงว่าบา ร, รมีต้องอย่างอ่อนเป็นแน่แท้การดูบา ร, รมีอ่อนบา ร, รมีแก่จึงไม่ใช่วัดกันจากที่สั่งสมมาแล้วในอดีตชาติ แต่ต้องดูความเพียรอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันด้วยเพศคารวาดเป็นทางแคบเป็นที่มาของฝุ่นละอองไม่ได้มีหน้าที่ทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งเหมือนเพศบรรพชิตแต่สิ่งสำคัญคือคารวาดก็จเจริญสติปัฏฐานได้ถ้าสมัครใจและสามารถบรรลุธรรมที่ถูกต้องได้ในเวลาไม่นานเกินรอ ขอเพียงมีเหตุปัจจัยที่สมน้ำสมเนื้อกันกับมรรคผลเท่านั้นอย่าต้องพูดถึงพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีเวลาเต็มที่เพื่อการนี้จะยิ่งมีบรรลุธรรมเร็วขึ้นเพราะปราศจากอุปสรรคข้อติดขัดดังเช่นที่คารวาต้องประสบอกหรือนี่เป็นแค่วันจันทร์ธรรมดาอีกวันหนึ่งตื่นขึ้นไม่ได้นึกว่าจะมีอะไรเป็นพิเศษและเมื่อมีอะไรเป็นพิเศษแล้ว ก็ไม่ได้ทาให้ชีวิตต่างไปจากหน้ามือเป็นหลังมือฉันยังอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานตามปกติคิดเหมือนปกติพูดคุยกับผู้คนเหมือนปกติกลับบ้านนั่งสมาธิเดินจงกรมเหมือนปกติรู้สึกสุขทุกข์เหมือนปกติที่รู้สึกเป็นปกติเพราะมีปกติเห็นกายใจโดยความเป็นของเกิดดับอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาพบอนิจจังของกายใจ หลังเห็นนิพพานแต่อย่างใด